ชาวิเศชนาธรรมกับท่านหลวงตาและหลวงปตักขีนาละโยตอนพรุิอิตแข่งจิตขออนุญาตเรีย น, า น, า น, านถามอาารยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินตรงกลมาค่ะอ่อ สายท่านก็บอกว่าเดินพุโทโธแล้วก็เดินด้วยกิริยาปกติเหมือนเดินปกติอะคะ่ะแต่ถ้าอีกสายหนึ่งให้เดินแบบช้าๆแล้วก็ให้ละเอียดยกนอ้อยย่างนอ้อเหยียบนออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสองอันนี้เออจะให้ผลแตกต่างกันยังไงคะหรือว่าทําไงก็ได้คะ่ะอืมกิเลสเป็นเกิดจากใจ ความทุกข์มันก็เกิดจากใจการสิ้นกิเลสก็สิ้นที่ใจดับทุกข์ก็สิ้นที่ใจไม่ได้เกี่ยวกันบวิยาบทอะไรหรอกแต่ทําันมันเหมาะสมต่อหน้าครูบาอาจารย์ในวัดในวามันมันจะเป็นต้องเดินช้าจึงบรรลุอรหันต์เดินเร็วไม่บรรลุอรหันต์อะไรหรอกมันอยู่ที่ ใ, ใจของเราทําให้มเหมาะสมกับบุคคลโอกาสสถานที่วัดนั้นก็เดินแบบนั้นอย่างเงี้ยเราไปเดินเขาเดนจน้าเราไปเดินเร็วๆ ม้นจไม่ถูกจริตเราก็จะไปวัดนี้เขาเดินกันสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเราไปเดินแขวงแขนมันก็ไม่ถูกมันต้องถูกแต่ บ, บุคคลโอกาสสถานที่แต่ทัรวจเนี่ยเนี่ยกิเลสมันเกิดจากใจความสิ้นกิเลสมันสิ้นที่ใจไม่ว่าจะเดินจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะเดินทางไปไหนมาไหนข้า้องน้ำห้องสวมดื่มกินเราต้องให้มันสิ้นกิเลสสิ้นกิเลสที่ใจนั่นแหละอย่าให้มัน มีกิเลสที่ใจข้างคาได้อะแร่นก็เป็นกิเลสทางวาจานี่แหละทางการกระทาเสร็จแล้วก็การกระทาผิดศีลผิดธรรมทให้คนอื่นเป็นทุกข์เบียดเบียนใ้คนผู้อื่นต้องสตอื่นคนอื่นไปทุกข์เดือดร้อนเบียดเบียนตนเองให้ไปทุกข์เดือดร้อนต่อมาก็วาจาละไปอีกให้เปเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนตนเองให้ไปทุกข์เดือดร้อนในผิดศีลผิดธรรม ไม่พูดโกโหกหลอกลวงผู้อื่นไม่พูดเสียดสีตีชีินทาว่าร้ายพูดกระแทกแดกดันกระทบกระเทียบเปรียบเปเลยพูดเพิ่อ เ, อเจอไร้สาระ <S <S 1> <S 1> <S 1> เราก็ต้องรู้ตัวเราแก้มาเรื่อยถักกัดกระทําเสร็จแล้วก็มาการพูดเสร็จแล้วก็มาถึงใจเรานะี่ยแหละอย่าให้ใจเราไปผิดศีลผิดธรรมออกมาจากใจจะ ก, การะทังมันกลายเป็นความบริสุทธนะิ์สามเนี่ยกลายบริสุดธิวาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์เนะี่ยเอาไหมวะเอาไหมมาอะไรนี้นิดน จำไม่ได้นะนี่ใครอ่ะมาด้วยเนะี่ยเออมาจากไหนนะบอกว่ามาจากดิบเอาดดอรีบมาแล้วรียบจบ ก, กันบ้านมีอะไรบ้างทิละคนเอาอะไรเอาไหมนะก็ เหมือนกับอาจจะยุ่งยุ่งทางโลกเดินด้วยขนองตาแต่ว่าการทับทางคำก็เวลาพิจารณาถ้าใจมันสงบมันก็จะเห็นละเอียดขึ้นนะคะแต่หมายถึงว่าก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าเวลาอยู่ทางโลกเราก็วุ่นวายกับกิเลสทางโลกแต่พอมาอยู่เหมือนเราจะพิจารณารมก็มีแต่จะเอามันก็เราหลอนข้างในมีความหงุดหงิด น, นะคะแต่ว่าได้มาฟังแท็กของน่าจะเป็นพระอาจารย์วิชานไหมคะที่ถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องปัญหาเนี่ยแหะค่ะแล้วเหมือนเราฟังเราใจมันก็ มันก็เหมือนมันก็ลงมันก็ดีขึ้นนะคะมันจะมีสองแท็กที่เป็นเรื่องปัญหาที่หลงตาเทศเกี่ยวกับว่าสุดท้ายคือเหมือนปัญหามันก็เป็นตัวบ่อเกิดของกิเลสอื่นๆนะคะก็ฟังแล้วใจมันก็ก็ลงดีขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาเวลาปฏิบัติก็เรามีแต่จะเอาจะเอาอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็เล่งเราเล้าร้อนอยู่ข้างในอ่ะค่ะให้สงบก็ไปถึงใจนั่นแหละแล้วปล่อยไอ้จิตก็เคลื่อนไหวไป ตามธรรมชาติแต่ใจเข้าไปสงบถึงกลางใจตนเองอนี่ยปล่อยทุกอย่างเคลื่อนไหวไปเมื่อเข้าไปสงบถึงกลางใจตนเองแล้วในแต่ความสงบนั้นก็ทิ้งไปอีกเพความสงบนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกเราเป็นเป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องอาศัออาายให้ใจสงบในแต่ความสงบนั้นก็มาติดในเย็นก็ปล่อยวางความสงบตนเองอีกในแต้ความสงบก็ไปอีก ไปวางขอสงบแล้วก็เป็นความว่างภายในใ จ, วในใจความว่างภายในใจก็ไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่ยึดในความว่างไปเป็นยึดความว่างไว้อีกเพราะคงว่างอยู่อย่างนั้นแน่จะไม่มีผู้ยึดปล่อยให้จิตกิริยาการของจิตเขาเคลื่อนไหวก็มีความคิดถูกต้องปรุงแต่งอยู่งั้นแนะแต่อยมีใจออกไปเคลื่อนที่ออกไปรับอย่ออกไปปรุงแต่งจะออกไปยึดล้ น, นจะไปค้นหาจะไปพยายามพ้าเรหลุดออกจาก ความรู้ดูต่อจากรู้ไปเป็นผู้คิดผู้ตึกผู้ตองอมันจะหลงให้เป็นผู้รู้เป็นผู้รู้ไว้จะไม่เป็นผู้หลงไมเป็นผู้คิดผู้สึกผู้ตองผู้ดิ้นรนผู้ค้นหาผู้พยายามมันจะหลงมาเป็นสังขารนะจะหลงมาเป็นจิตสังขารแล้วมาเป็นสังขารตรงแน่ให้เป็นผู้รู้เนี่ยแน่เป็นผู้รู้ก็คือใจแน่แน่ไอ้ใจเป็นผู้รู้ผู้รู้ที่ใจแน่แนะให้เป็นผู้รู้ไว้อย่าเอาตัวเราเนี่ยไปเป็นผู้ผู้คิดผู้นึก ผู้ตึกผู้ตองไม้เห็นตัวเราเนี่ยเป็นผู้คิดผู้นึผู้สึกผู้ตองแล้วก็มารู้ตัวเราเนี่ยแน่รู้ตัวเราเขารู้กายรู้ใจใจเราเองที่เขาคิดก็นึกก็ดตึกเกิดตองเนี่ยแน่แต่เราเป็นผู้รู้เลยไปรู้ตัวเรารู้กายรู้ใจตัวเราเลยไปเนี่ยรู้กายรู้จิตไมเป็นผู้รู้จะไม่เป็นผู้ลงไม่เป็นผู้คิดผู้ดิดนรนผู้คนหาผู้พยายามเข้าใจไหแต่้บารู้อยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจละที่ใจปล่อยวางอยู่ที่ใจ ใจคือความไม่เคลื่อนที่ไม่ปรากฏกิกริยาการใน่ปรากฏควเคลื่อนไหวใดๆดี่แต่รู้แต่สิ่งที่ปรากฏคือทุกคิดทุกทกิริยาการความจริงอ่ะรู้ละเอียดเข้าไปจน ก, กระทั่งมันเลยสมมุติบัญญัติไปที่จะใช้ชื่อได้มันจะเรียกว่าคิดก็ไม่เถอะเพราะคิดก็ถือว่าหยาบ ม, มันเรียกว่าตึกตรองที่สุดแล้วเอาเขจริงๆแล้วมันเลยความตึกตรองไปอีกตึกตรองก็ยังหยาบอีกจะไม่มีสมมติบัญญัติที่จะเรียกได้ว่ามันคืออะไร มันเหมือนในใจมันทําท่าิกมันทําท่าจะไปดูจิตทําท่าจะไปรู้จิตทําท่าจะวิเคราะห์ทําท่าจะวิจัยทําท่าจะค้นหาทําท่าจะเก็บความเข้าใจทําท่าจะดูจะรู้และจะเก็บความเข้าใจด้วยมันเหมือนทําท่าทําท่าอยู่ข้างในเน่ะมันมันไม่เรียกว่าเป็นความคิดความนึกความตึกความปองมันเลยพอีกจนหาชื่อไม่เจอแต่มันมันเหมือนกับมันทําท่าไม่หยุดอยู่ในใจนั่นแหละ แต่สิ่งนั้นก็ไม่ใช่เราอีกไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสละทิ่งมันไปให้หมดเรื่อยๆไปมันเป็นยังไงก็แต่ปล่อยวางมันไปเรื่อยเห็นเห็นด้วกว่าเห็นมันสักระวิเห็นสักระวุสักระวิดมันปล่อยวางมันไปเรื่อยไม่ใช่เราอย่ไปหมายเอาสิ่งนั้นเราเป็นเราตัวเราเนี่ยตอนหลงังๆน่ะมันไม่มีชื่อเรียกแล้วมันมีแต่สิ่งใดเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันปรากฏขึ้นประกอบเพลื่มขึ้นไหวตัวขึ้นในใจเรา๊๊กกกๆๆๆ สิ่งเหล่านั้นล้วนดับไปเป็นธรรมดาอมันมเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นปรากฏขึ้นกระเพื่อมขึ้นไหวตัวขึ้นสแสดงปรากฏการขึ้นมีกิริยาการขึ้นมาในใจเราจะไม่เรียกว่ามั น, ม, นมันคืออะไรเพราะว่ามันละเอียดมากกว่าความคิดละเอียดมากกว่าตึกตองละเอียดมากกว่าวิเคราะห์วิจารณวิจัยละเอียดมากกว่าพฤติกรรมทางใจทางจิตทางใจเข้าไปอีกอมันไม่รู้เรียกว่าอะไรมันจิกจิในใจอั่นแะมันเหมือนกับมันทำท่าทําท่าอะไรอยู่นั่นแหละ ไม่ต ain ้องไปเห็นมันว่าทัำท่าอะไรหรอกแต่มันเหมือนกับจะมันทัำท่าทำท่าอะไรแล้วก oh, ็ปล่อยวางมันไปเลยปล่อยวางไปเห็นว่าเหตุเดียวปล่อยวางก็เห็นว่ามันเป็นเสียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมมันไม่มีใครต้องมาทําอะไรกับเขาเลยที่สุดอะตัวเราไม่มีมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาแล้ว สิ่งเหล่านั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาตัวตนของผู้รู้ก็ไม่มีตัวตนของเราไม่มีมีแต่ในธรรมชาติเหมือนกับไม่มีข้างในไม่มีข้างนอกมีแต่ธรรมชาติที่ปรากฏว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาจนเรียกมันตัวว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เรียกว่ามันเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เลยแล้เพราะว่ากลายเป็นสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่หยาบเกินไป ลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในธรรมชาติมันไม่รู้มันไม่รู้สึกว่าเกิดในตัวเราหรือเกิดนอกตัวเรามันไม่รู้สึกว่ามีตัวเราแต่มันเห็นแต่มีว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาปรากฏขึ้นมาก็เพื่อขึ้นมาไหวตัวขึ้นมาแล้วสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาสังเกตตอนนี้ได้ยินเสียงไอยเดี๋ยวะระรังที่ก็ตีละฆังสวมดมนต์ไหมให้เป็นธรรมบัสวดมนต์มด้านแหะ านั่นแหคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปรียบเท้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาเป็นธรรมดาแล้วเขาก็ดับไปเป็นธรรมดาโดยไม่มีใครไปทําอะไรกับเสียงะระฆังนั่นเลยคงปล่อยให้เขาเกิดขึ้นมาเพราะมีเหตุปัจจัยทําให้เขาเกิดเมื่อเสียงะระฆังแต่ละครั้งดับไปก็มีเหตุปัจจัยทําให้เขาดับไปเองไม่มีใครไปทําอะไรกับเสียงะระฆังนั้นตลอด ตลอดการแม่คงมีแต่อย่างเนี้ยในใจเราเกริยาการทุกเิตุยาการเหมือนกับเสียงะระฆังที่ก็ตีให้ไปทาําวาส่วนมนนี้แน่จนไม่เรียกชื่อเหมือนว่าอะไรไม่เรียกชื่อเหมือนว่าเป็นเสียงรครังแต่เป็นเพียงแค่สิ่งที่กระเพื่อมสิ่งที่ไหวตัวขึ้นมาไม่เรียกว่ามันเป็นความรู้สึกหริดอารมณ์ไม่เรียกว่าเป็นจิตหรือเป็นใจหรือเป็นเกริยาการของจิตอะไรจนใช้คําว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นมีความปรากฏขึ้นมีการกักเพื่อมขึ้นมีการไหวตัวขึ้นมาเป็นธรรมดาแล้วสิ่งทั้งหมดนั้นก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดาตามเหตุปัจจัยของเขาเนี่ยเหมือนกับเสียงระฆังตอนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะมีเหตุปัจจัยให้มันได้เกิดและเดี๋ยวพอกันดับไปเมื่อสิ้นเหตุปัจจัยนั้นเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่มีใครไปยุ่งวุ่นวายกับเสียงระฆังนั้นเลย ไม่มีใครไปรองรับไม่มีใครไปยึดเสียงระขังน um ั้นไม่มีใครต้องไปเพ่งไปดูไปจ้องไปพยายามทําอะไรกับเสียงระขังนั้นกิริยาการของจิตตัวเหมือนกันไม่มีใครต้องไปเพ่งกิริยาการของจิตไม่มีใครต้องไปพยายามดูกิริยาการของจิตไม่มีใครต้องพยายามไปรู้กิริยาการของจิตมันคงมีเห็นว่ามันมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเองเกิดขึ้นเองนะแล้วก็ดับไปเองเกิดขึ้นเองแล้วดับเอง เห็นแต่แค่นี้เนี่ยอยู่กับความเห็นอย่างเงี้ยความรู้ความเห็นอย่างเงี้ยตลอดไปเมื่อไหรเผลอเอาตัวเราเข้าไปผู้คิดผู้ปรุงผู้ดิลนผู้ค้นหาผู้เพ่งผู้จ้องผู้พยายามไอ้ละออกมาไดในเดียวเียวมดนนั่นลงแล้วแล้วกลับมาเป็นผู้รู้ที่ไม่ปรากฏอะไรเลยผู้รู้ก็ไม่ใช่ว่าไปรู้อะไรไปพยายามดูอะไรหรอกแต่แต่กลับมาเป็นผู้เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันณขณะจิตปัจจุบันแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดา จนไม่เรียกว่ามันเนความรู้สึกสึกคิดหรือตึกต่อมันละเอียดขึ้นไปอีกมันจะเป็นคำคผทำ่าคำท่าทุกขนาปัจจุบันนีกในใจเราตลอดเลยตลอดไปแต่ไม่มีใครไปยุ่งไม่มีใครไปเสวยมันไม่มีใครไปรองรับเหมือนกับเสียงะระฆังที่ดังเนี่ยไม่มีใครไปรองรับเสียงะระฆังไม่มีใครเอาใจไปไปเสวยไม่มีใครเอาใจเข้าไปยึดบ้านถือมันไม่มีใครเข้าไปเพลงไปจ้องไปดูเสียงะระฆังให้รับรู้ทุกกริยาการในใจเราเหมือนกับได้ยินเสียงระฆังนี้ โดยไม่ต้องตั้งใจที่จะรู้พยายามที่จะรู้จงใจที่จะรู้มันรู้ขึ้นขึ้มาเองโดยธรรมชาติรู้ทางหูรู้ทา ง, งใจเป็นความรู้เหมือนกันกับความรู้ทางตาคือมันรู้ขึ้นมาในขณะที่มันกระทบเองโดยธรรมชาติไม่มีผู้ต้องไปจ้องรู้ไปคอยรู้พยายามรู้เมื่อมีรูปมาปรากฏตาก็มองเห็นเมื่อมีเสียงะระฆังเขาตีขึ้นมาหูก็ต้องได้ยินเมื่อมีอาการของใจเกิดขึ้น ใจก็ต้องรู้อาการนั้นเพราะมันเป็นธรรมชาติที่รับรู้โดยธรรมชาติเมื่อสิารกระทบกันในปัจจุบันความรู้ก็รู้ในปัจจุบันเนี่ยถ้ารู้ไปในอดีตมันเป็นเรื่องความจําความคิดใหม่รู้ไปเรื่องอนาคตมันเป็นเรื่องความจําความคิดบุงแตกไปรู้มันก็ต้องรู้ในปัจจุบันคือรูปที่ผ่านมาให้เห็นในปัจจุบันเสียงที่เขาตีะระฆังดังขึ้นมาเราจึงได้ยินเสียงระฆังอาการขงใจที่เกิดขึ้นมาจึงรู้อาการของใจในปัจจุบัน บรรลุปัจจุบันรู้ปัจจุบันอย่างนี้เรื่อยไปที่หลวงปู่ดูนโะตเล่ว่าอยู่กับรู้อยู่กับรู้อยู่กับรู้อยาทิ้รู้หลวงปู่รีมาที่นี่ที่นี่ว่าอาจารย์เขียงเจ้าว่าที่นี่ถามท่านว่ามีอะไรเป็นมีฐารธรรมท่ทานบอกว่ามีผู้รู้มีผู้รู้จะ่าไปเป็นผู้คิดให้เป็นผู้รู้ จะเ ป, เป็นผู้แสดงอาการไม่เป็นผู้รู้อาการสงสัยเลยไหมเดี๋ยวตามกาตอนนี้คิดว่าไม่สงสัยค่ะหยุดแต่ว่าจะปฏิบัติเหมือนเดิแต่ว่าทำให้ได้อย่างที่หลวงตาสอนนะคะแล้วค่อยมาส่งกันบ้านหลวงตาใหม่กอคะ่ะอย่าไปจับพอเรารู้แบบนี้มันจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นเป็เบาสบายว่างมากเลยอย่าไปจับว่างจับเบาสบายไปนั้งค ให้เหลือแต่รู em ้มันวา่างมันเบาสบายอย่างไงก็เหลือแต่รู้แล้วก็รู้อะไรก็รู้จิตที่มันเคลื่อนไหวกุกคิกคุกคิกคุกคิกอย่าไปรู้นิ่งว่างนะถ้าไปรู้นิ่งว่างแล้วก็เสร็จเสียท่าเลยอย่าไปรู้นิ่งรู้ว่างรู้เบาสบายให้รู้จิตที่เคลื่อนไหวชุกิ๊กชใจตัวตลอดเวลาดูมันต้องให้ตรงติปูรู้นิ่งว่าง พอมีอาการใจนิ <asthma> comida, ่งว่างเลยพูดที่ไปรู้นิ่งว่างนั่นแหละมันก็จะคิดจุกบจุ๊จุ๊บจุ๊บเอ๊ะมว่างมากเโอ้ขอนี้มันสวว่างแบบนี้มันนิ่งอย่างนี้มันสงบอย่างนี้ีจะไปดูตรงนิ่งว่างให้ดูตรงกับผู้รู้นิ่งว่างนั่นแหละผู้ที่รู้อาการว่างๆเบาสบายมันจะคิดตลอดแบบจุจุกบจุอย่าไปหมายดูตรงอาการที่นิ่งว่างนะให้ทิ้งไปหมดจะ่าไปสนใจอาการนิ่งว่างให้เห็นวผู้ที่มารู้อาการนิ่งอาการว่างมันก็จะ บางบางทีมันก็เหมือนพอไปไติดเหมือนที่ลงตาว่าค่ะติดว่างติดสบายแล้วมันไม่เห็นจนแบบว่าเริ่มไอต er life, ัวจุกติดจนบางทีพอมันจะเห็นต่อเมื่อแบบพอเราเห็ <c ười ienia> ожалуй, นกลายเป็นว่าเราก็ไปปิดความว่างใช่ไหมคะพอเห็นปุ๊บมันจะกลายเป็นใจหนุดหนิดเพราะว่าแทนแทนที่จะเห็นมันอย่างที่มันเป็นเหมือนที่ลงตาว่ามันมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งขยับอยู่มันแต่มันอาจจะแค่นิดเดียวยิบยับละค่ะแต่ว่ากลายเป็นว่าบางทีเราพอเราไปติดความว่างมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะหุดหนิดกับอาการพวกนี้ แต่ว่าก็คือเหมือนที่บอกว่าพอดีได้ฟังแท็กนั้นก็เลยมากับมันก็เข้าใจมากขึ้นนะคะได้ฟังแท็กที่พระอาจารย์เทศของพระอาจารย์วิชานะคะอ่าเรืของรวมบมดกำถามใช่ไหมเจอา ด, วดวาววาไงดาวก็ตอนนี้ของดูก็อยู่กับทั้งโลกค่อนข้างเยอะค่ะก็ฝึก ดูในเรื่องของอคนที่ทํางานนะคะก็เหมือนตอนนี้มันมีโทสะแล้วก็มีอคติคือเรารู้เลยว่าเรามีอคติของคนนี้อะไรอย่างนี้ยค่ะเวลาแบบเหมือนแค่เขาเรียกชื่อเราจะพูดอะไรอะไรอย่างนี้ยค่ะหลวงตาก็จะแบบรู้สึกหงุดหงิดอะไรอย่างนี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็พยายามแบบพอรู้ว่าเหมือนเรามีอคติอะไรอย่างนี้ยค่ะก็พยายามแบบดูใจตัวเองอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วก็เหมือนไม่ติดกั้นก่อนที่จะไปคุยอะไรอย่างนี้ยค่ะก็พยายามดูใจตัวเองไปเรื่อยๆอะไรอย่างเนี้ยค่ะว่า คือบางเรื่องก็ทําได้ค่ะบางครั้งก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบใจมันก็ไปก่อนแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ตอนนี้พวกพอรู้ตัวอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามดูตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็ฝึกไปในแต่ละวันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเหมือนเราใช้พลังงานกับทางโลกเยอะอะค่ะก็จะค่อนข้างที่เกียดเหมือนกันกลับมาบ้านก็จะเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็พยายามบังคับตัวเองอย่างร้อยก็คือต้องสวดมนต์เช้าเย็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอย่าง ที่เรามีอขัติกับเขาอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามแผเ่เมตตาให้เขาไปอะไรเงี้ยค่ะดีแล้ว่าที่ที่รู้ว่ามันดีใจที่เป็นบุญกิตตกับคนนั้นคนนี้บุญกิตติกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเพ่งโทษไปมโมโหเขาเนี่ยดีมากแล้วลนะ่ะแต่กิยาการของจิตที่ไปเพ่งโทษไปบุญกิตตไปาําคัญไปมีอารมณ์กับสิ่งนั้นสิ่งเนี้มันเป็นเพียงแค่กิยาการภายนอก อยู่กับใจผู้รู้กิริยาการนั้นใจนั้นไม่ปรากฏกิริยาการใดๆเลยเหมือนเกี้บอกตัวไปเมื่อกี้เหมือนการปฏิบัติแบบเดียวกันใจไม่ปรากฏกิริยาการใดๆไม่มีการกับเพิ่อไม่มีการไหวตัวไม่มีความรักความชังไม่มีผ่องใสไม่มีเศ้าหมองใจผู้รู้ได้แต่รู้แต่ตัวเขาเองเนี่ยทั้งไม่สว่างทั้งไม่เร้าหมองทั้งไม่ผ่องใสทั้งไม่เศร้าหมอง ทั้งไม่สว่างทั้งไม่มืดเขาไม่มีสว่างไม่มีมืดไม่มีผ่องใสไม่มีเศ้ามองได้แต่รู้ได้แต่รู้ไม่มีว่างไม่มีไม่ว่างไม่มีเบาไม่มีหนักว่างก็เป็นอาการว่างไม่ว่างแน่นถึงอัดตื้นื้อก็เป็นอาการได้แต่รู้แต่ในรู้เนี่ยไม่เบาไม่ว่างไม่หนักไม่สว่างไม่มืด ไม่ผ่องใสไม่เชอบมองเปแต่รู้กิริยาการทั้งหมดนั่นคือกิริยาการที่ถูกรู้เป็นกิริยาการเรื่องก็งเพื่อเพื่อไปตัวอาการที่ดาวบอกว่ามันหดุดหิดลำคาเป็นเพ่งโทษโมโหพยลล์ลมเราทำงนานลาการอะไรเนี่ยดีมากแลยตรงเ น, นี้ยเนี่ยคือสิ่งที่เป็นสําคัญที่สุดเป้าหมายที่สุดที่หนูเนี่ยจะต้องไม่ติดไปกับอาการเหล่านี้หรือจะพ้นกับอาการเหล่านี้และเหนืออาการเหล่านี้ไป ไปตรงนี้เนี่ยมันถึงที่สุดของวันแล้วเป็นทางเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นนักมวยเขาเรียกว่าไฟบังคับเป็นไฟบังคับแล้วจะหลีบเลี่ยงจิตจะไม่ละจิตจิน ต, ตแดงอาการเพ่งโทนอุณหภูมิลมคานโอ้โหคนนั้นโอ้โหคนนี้ในเรื่วงนี้ทีเดียวที่มันเกิดขึ้นในใจทุกขณะปัจจุบันเนี่ยเราต้องรู้ต้องเห็นมันมาเป็นผู้รู้ได้ให้ได้จะไปเป็นอาการเหล่านั้นอย่าลงไปดี่หลนผักสายอาการเหล่านั้นจะไปตะคุบไม่ให้บรรลัยอาการเหล่านั้นให้รู้ อย่าไปเป็นอาการให้รู้อาการอย่าไเป็นอาการอยวอาการมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เพื่อนไมีใครลงไม่ตามอาการนั้นอาการนันระดับเองหมายเองต้องเป็นผู้รู้ให้ได้จนเหนืออาการเพ่งโทษกิริาการที่เพ่งโทษที่มันกเพื่อเป็นเพ่งโทษเป็นหุ่นกิจเป็นลำคาญเป็นอะไรขึ้นมาในใจแล้วมันจะอัดอัดอัดอัดอัดผมไม่ได้เพ่งออกไปมันก็จะเลยก็ไปอีกเลยอาการที่เพ่งโทษเลยการแหลรคือเป็นอาการที่มันไม่ได้เพ่งโทษมันไม่ได้หุดนกิจไม่ได้พูดออกไปมันไม่ได้คิดออกไปมันเลยอัดอัดอัดอัดอัดอยู่ในใจ ก็ต้องเหนืออาการนี้ไปอีกเพราะว่าอาการอึดอัดเป็นอาการเป็นกิริยาอาการเราต้องเหนือกิริยาการเป็นอีกไปถึงผู้รู้ผู้รู้เปรียบเหมือนกับว่าเลขหนึ่งไทยอ่ะเวลาเขาเขียนเลขหนึ่งไทยเนี่ยตรงหัวตรงเลขหนึ่งไทยเนี่ยมันก็เป็นเลขศูนย์ใช่ไหมแล้วก็มีหางหมุนออกไปหมุนออกไปเป็นเป็นวงรอบๆอบบางทีละวงทีละวงเป็นเลขหนึ่งไทยไอ้พวกที่มันคิดยาวๆเป็นเรื่องโลกเลยมันก็เป็นหางเลขหนึ่งไทยเก่าๆเป็นเป็นหางเลขหนึ่งไทยไกลๆเลยกว่าจะรู้สึกตัว คิดเผลอเพลิดเพลินเหม่เจริญเพลินใจคิดเด i, ดรื่องนู้นเรื่องนี้อดีตอนาคตคิดถึงคนนั้นคนนี้มันก็เป็นอะไรแบหางเล็กหนึ่งไทยมันก็ออกไปยาวมากเราก็รู้สึกตัวรู้ตัวทันมันก็สั้นเข้ามาเรื่อยๆถึงเราจะรู้สั้นยังไงสั้นเข้ามาสั้นยังไงก็ตามมันก็นจะเป็นหางเลขกหนึ่งไทยเนี่ยถูกลากออกไปจากเล็กศูนยเลื่อนไปที่หัวมัน่หัวเล็กหนึ่งไทยมันเป็นเล็กศูนมันก็จะถูกลากออกไปจงกตั้งเ ร, รู้ตัวทันจงกตั้งกลียดยาที่มันเพ่งโทษมันยังเป็นหางที่ยาวออกไปหน่อยหน ตู้ต้อนทันกิริยาของจิตที่ไปเพ่งโทษคนนู้นคนนี้ยังไม่ได้ออกทางกายวาจาเลยแต่เห็นกิริยาการที่ไปเพ่งโทษที่เง็นผลจิตที่ไปรำคาญที่แม่มโหสเขาไอตัวนี้ก็ยังเป็นหางลากอยู่แต่หางรากออกมาหน่อยเดียวพอเหนือกว่าหางรากเขาหน่อยเดียวก็คือยังมีหางก็คือพอเราไม่ได้แสดงกิริยาการอย่างนั้นออกไปจากใจมันอึดอัดอึดอัดมันอึดอัดอึดอัดอยู่นะจะไม่เรียกว่าอะไรเลยไม่เรียกว่าคิดว่าตึกว่าซองมันอึดอัดอึดอัดอึดอัดอึดอัดมันเป็นกระเพื่อมอยู่แน่แน่ ที่มันจะให้เราเบิดออกไปให้ได้แต่เราไม่เป็นไม่เป็นอาการนั้นสัเพราะอาการนั้นน่ะมันเือจะเป็นหางเลขหนึ่งที่แผลออกมาโผล่มาให้เป็นรู้เป็นเลขศูนนั่นแหละเรียกว่าศูญญตานิพพานังปารมังศูนย์ยังให้เป็นศูนย์ยตาให้เป็นรู้สักนั่นแหละอย่าเข้าไปไหลไปตามอาการไม่ใช่รู้แล้วปัญญาทำใจว่างๆนะคะือว่าอาการว่างกับมันก็เป็นอาการหนึ่งอีกเหมือนกันอาการอึดอัดก็เป็นอาการเหมือนกัน อาการวงว่างก็เป็นอาการของหางเลขหนึ่งไทยนะไม่เชื่อว่าไปรู้แล้วทําใจว่างว่างนะคือแม้แต่อาการของว่างว่างมันก็เป็นอาการหนึ่งเพราะว่าพอเราละอัดได้เดมันจะเลยไปอีกก็เป็นอาการที่ว่างว่างมันจะเหนือขึ้นไปอีกแต่อาการว่างเนี่ยก็เป็นอาการก็ได้จะ่สักแต่รู้อาการนั้นถ้าอยู่กับรู้นี่แหละที่จะเป็นเป็นในวงกลมเลขหนึ่งไทยเป็นสุญญตานะมันไม่เหมือนกันของดาวกับดวงเนี่ยฝึกใช้กันมาก ถึงในขั้นนี้แล้วเนี่ยแต่เนื่องจากพื้นฐานนิสัยไม่เหมือนกันพื้นฐานนิสัยของของดาวเนี่ยคล้ายๆผู้ชายมันเลยออกจากเก้าวๆนิดหนึ่งภายในใจไอ้ตัวนี้มันเลยต้องมารู้ท่านาอาการนี้อาการที่ก้าวๆออกไปเพอาะนิสัยอ่คล้ายคผู้ชายอยู่ในส่วนลึกของใจมันจะเออเออออออนเรมันคล้ายๆมันเป็นกล้าวออกไป ก็ต้องรู้ทันมันไม่ไม่ไม่หลงอาการนี้ไปเพอหลงอาการนี้ไปมันจะกอให้เกิดปัญหาแก่ร่างกายจิตใจเราแล้วก็เกิดปัญหาแก่คนอื่นให้เป็นรู้เป็นรู้เป็นแล้วเราจะเหนือมันไปได้แหละจะเหนือไปได้แต่ตรงนี้ก็ยากหน่อยเพราะว่ามันจะมีกําลังลากเรามากเลยพอเราไม่ได้แสดงออกไปมันจะมันเป็นนิสัยพื้นฐานนิสัยเราเนีึดอัดอึดอัดอึดอัดอึดอัดอึอดอดอัดางทีตรงนี้ที่เราเราเรียกว่ามันเหนือกว่าใช้คําว่าคิดนึกตึกตอง มันเลยพวกนี้ไปอิจจะไม่รู้มันเรียกว่าอะไรตรงนี้เราเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยที่แสดงอาการไหวๆไหวๆไหวแต่มันไปของดวงกับของดามันมันไหวคนละตัวกันในใจนิสัยนี่มันไหวไหวไปคนละตัวของของดามันมันไหวไปทางสุดอัดรุดอัดคุอัรอัดับค้องใจเลื่องับค้องใจนิสายมันผู้ชายกล้าวของดวงมันนิสัยคล้ายๆกับว่าขี้บ่นอยู่ข้างใน ก้มงมก้มงมกมหงิมกมหงิมงมงมงมนี้ไม่รู้ว่าบ่นอะไรบ่นอะไรมันก็เลยอยากการคนละตัวกันแต่ก็คือต้องฝึกเหมือนกันอยู่ดีคือรู้ให้เป็นรู้อย่าไปเป็นอาการเข้าใจไหมแล้วพูดีนถูกไหมถูกถูกแล้วรู้ไหมว่าจะต้องปฏิบัติมันยังไง ก็รู้ค่ะก็ต้องต้องดูใจตัวเองให้ทานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามอย่ายไปผักใส่อย่างที่หลงตาบอกอะคะ่ะคือถ้าผักใสคือถ้ามันไม่ว่างคือถ้าเหมือนว่างมันก็จะเหมือนกดอะคะ่ะกดตัวเองเหมือนแบบไม่เขาเรียกอะไรอะคือไม่ให้รู้สึกแต่จ ร, จริงเรารู้สึกอะไรเงี้ยค่ะก็คือแค่ตามรู้ให้ทานอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าตามรู้ทานเหมือนมันก็จะเกิดกับของมันได้เร็วไปเองแต่ว่าถ้าเกิดเหมือนเราไปกดอยู่หรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเหมือน ยิ่งแบบเลือดอาดึกอาดึกอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาการที่เราพยายามไปกดมันก็เป็นอาการเราจะหลงเผลอไปเป็นอาการซะเองคือพยายามจะกดอันนี้อันนั้นก็หลงไปเลยอ่ะหลงไปเลยไม่ใช่รู้เป็นหลงหลงไปพยายามแสดงกิริยาการไปกดถ้าเราแสาดงแสดงไปพฤติกรรมของจิตได้นี่คือเป็นอาการหลงเปน็นอากา ร, รก ค, กคือไปแสดงพฤติพฤติกรรมลวงปู่ดูลย์เรียว่าพฤติแห่งจิตคือพฤติกรรมไปถ้าเราไปแสดงแอคชั่นหรือแสดงพฤติกรรมหรือแสดงเป็นพฤติกรรมลงไปหลงหมดเลยนี่ต้องรู้ตัวต้องละออกมาสันติ มาเป็นผู้นีจะเป็นเป็นผู้หลงไมเป็นผู้ผรู้เข้าใจไหมเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันมันเริ่มเอียดก็ไปเพราะว่ามันอยู่ในใจเราเลยมันเป็นกิริยาการที่เกาะเชื่อมในใจเราตลอดเวลาเราไม่สามารถหายกาะเชื่อมได้นะไม่ใช่ว่าแล้วอาจารย์ถ้ารู้ไปไงี้ว่าอรมจะมันจะายกาะเชื่อมอันอะ้ผิดเลยนะมันเพียงแต่ว่าใจเราเริมไปอาถือเอาสิ่งนั้นอ่ะมีค่ามีความหมายหรืมีอิทธิพลต่อใจไม่ใช่ว่า เราถามำแล้วถามเราบอกว่าหลายคนถามอาจารย์แล้ ว, ลวถ้ารู้อย่างนี้ย ร, ร, ร, รู้รู้อย่างเนี้ยแล้วไอาอาการที่พูดเนี่ยอย่างของดวงยิง้มยิ้มแล้วของเราเนี่ยไอ้อัดเนี่ยมันจะหายไปหมดใช่ไหมเดี๋ยวจะความว่างไหมอันนี้เราแทนนี้หลงออกทะเลไปเลยละหลงเลยละมันหลงไปไ ป, ไปผิดเรื่องผิดราวเลยผลดล้าใเลยมันไม่มีอะไรหายไปแล้วมีแต่เราศัตรูรู้มันเราก็เป็นสุดทุกอย่างไม่มีที่คนต่อใจนะที่จะคนทุกไป ไม่ใช่ว่ารู้รไปแล้วเมื่อไหร่จะหายที่มุดติดอาการหิวนุ่งหิ น, นอาการนีันนี้มันเมหจะหายไปหลือแต่ความว่างอันเนี้หลงออกทะเลไปเลยละตกเหวไปเลยอ่ะคนลเรื่องละลาวไปเลยไม่มีอะไรหายไปมีแต่รู้มันก็เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปจนกว่าเราจะตายเนี่ยแต่มันบรรลุอรหรนันต์ก็คือมัน ม, มีอะไรหายไปมีแต่ว่าไอ้ใจของเราเนี่ยที่มันไปยุ่งกับอะไรมันห า, หายไปเหลือแต่รู้อเนี่นี่คือบรรลุอรหันต์ไป ใจแม่อย่างที่หนูพูดเน่ยก็ดีมันเ an ข้าใจว่าเออถ้าเราพยายามจะไปกดมันให้มันไม่แสดงการขึ้นอัดขึ้นอัดหรือพยายามไปกดอะไรมันหายยุ่มยิมยุ่มยิ ม, ย ม, ย ม, ย ม, ยมอ้เกลิมันก็จะเป็นกิริยาการซ้อนขึ้นมาคือมีเกณฑการดิคัดกระทํ า, ทาคือไปกดมันเราก็เห็นว่าเนี่ยหลงมาเป็นฝังขาดปรง แ, แต่ง แ, แล้วเราก็ละเสียมาเป็นผู้รู้แล้วก็อดทนตันที่จะรู้รู้ไม่ใช่ไปดูมาหรอกคืออดทนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจยุกยิบยุ่มยิบแค่ไหนอดทนกับมันไม่ใช่ว่าไปดูไปรู้ไปเพ่งมันหรอก คือมันรู้อยู่ว่ามันรัดในใจเงี้ยแต่ต้องอดทนกับมันอดทนให้ได้เป็นคัตติเป็นปรัมีอดทนได้ก็จะพ้นทุกไปได้อดทนกับทุกอากา ร, รปรถือว่าก้าวหน้าไปเยอะนะทั้งพี่ทั้งน้องเนี่ยไม่หนีกันไม่แพ้กันใช่ได้เมื่อแตจะปัดที่ปัดอดทนต่ออาการต่างกัน แต่ก็ปฏิบัติมาจนคล้ายกันมากเหมือนกันมากเข้ามาจนถึงจิตสุดของรู้จะปล่อยสติมันขาดนะถ้าขาดแล้วหลงยาวเลยหลงไปคิดเพื่อเพื่อนเจริญใจปรุงแต่งยาวเลยเออแต่ไม่ว่าจะหลงยาวหลงตันก็ต้องตื่ตัวขึ้นมารู้เอาไปรู้อยู่ดีเนี่ยถ้าเปลิ่บปุ๊บก็หลงคิดยาวปรุงแต่งยาวก็กลับมารู้นะดีแน่แหละดีมาก ทำความเพียรนะอย่าละอย่าละสติอย่าทิ้งสติมันหลงให้รู้พอมันเป็นรู้ให้รู้มันเป็นรู้อย่าไปไม่เป็นหลงอะไรเงี้ก็มันรู้อยู่ตร ง, งนี้เนี่ยอยู่กับรูนะ้ตรงเนี่ยพอเป็นรู้แล้วไม่เป็นหลงเราก็รู้มันหลงก็เป็นสังขารก็ให้รู้ให้ละมาให้เร็วพอเป็นรู้แล้วก็ให้รู้อดทนเอาไว้อย่าไปอย่าไปอย่าไปมีปัญหากับทุกกคติยาการที่เกิดขึ้นในใจ ถ้าเราไม่มีปัญหาต่อสุกขก า, การที่เกิดขึ้นในใจมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรกับในโลกนี้เลยเพราะว่าอาการของใจมันอยู่ใกล้ ใ, ใจที่สุดเรายังไม่มีปัญหาต่อมันเลยทุกอย่างในโลกนี้จะไม่มีปัญหาต่อใจเราเลยส่วนปัญหาในโลกจะแก้ยังไงก็เรื่องแก้ไปตามสติปัญญาความรู้ความสามารถของแต่ละคนแต่มันไม่มีปัญหาต่อใจเรามีความรู้สึกนะถ้าถ้ากริยาการในใจแม้แต่เล็กที่สุดน้อยหนึ่งที่สุดจนอึดอัดเข้าไปถึข้างในแล้ว มันยังไม่มีปัญหาต่อใจนะจนเรียกมันว่า <tinha> ส wow. <Ant> <hat> <anyway> ิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นระดับไปมันไม่มีปัญหาต่อใจแล้วเนี่ยมันจะไม่มีตัวใจเป็นมีปัญหาต่ออะไรเลยทุกอย่างในโลกนี้ทุกอย่างก็คงมีอยู่แต่ไม่มีตัวใจเป็นมีปัญหาต่ออะไรเลยหรือว่าทุกอย่างที่มีในโลกนี้และตับร่างกายเราและทุกกิยาการของใจก็จะไม่มีปัญหาต่อใจเลยหรือใจไม่มีออกไปมีปัญหาต่อต่อทุกอย่างังนั้นสิ่งที่เราจะละได้ถึงที่สุดก็คือ ละเนี่ยกิริยาอาการที่ใกล้ใจที่สุดที่มันจนจนไม่ทันออกไปเป็นความคิดอารมณ์เลยมันคิดๆคิดๆคิดๆจนบอกชื่อมันไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่เราละไอสิ่งที่ใกล้ใจได้ที่ตรวจเราก็จะละทั้งหมดได้ในโลกนี้นั่นเองคือพระอรหันต์แม้แต่คารวะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็เป็นได้เป็นพระอรหันต์ได้หมดท้าศีลห้าบริสุทธิ์ข้อสามถึงปรมจรย์ สามาบรรลุอรหันต์ได้หมดคารวาสี่ห้าบริสุทธิ์นะสี่ห้าคืออะไรคนหนึ่งไม่ขาสัตว์ชีวิตไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นก็สองไม่ไปเอาทรัพย์ของคนอื่นมาโดยไม่ชอบไม่เพ่งแรงเอาทรัพย์ของอื่นมาโดยไม่ชอบคนสามนี่ถึือภพมาจันทร์ไปถ้าเป็นชาวบ้านตัวไปก็ก็ผัวเดียวเมียเดียวได้แต่ถ้าพูดจะ บ, บรรลุอรหันต์ที่เป็นคารวะบรรลุอรหันต์นี่ก็ต้องอถือภพมาจันทร์เลย ไม่ไม่ไผัวเดียวเมียเดียวข้อสี่ก็ไม่ไม่พูดโกหกหลอกลวงมัารวมทั้งทำด้วยคือไม่พูดเท็จพูดต่อเสียดพูดพูดเพิร์เจอรพูดติชิ้นดินทาว่าร้ายคนอื่นเนี่ยแล้วก็ห้าก็ไม่ไม่ดื่มสุรายาดจับจีนไปเลงการพนันให้เป็นเครื่องกังวลข้อห้าเนี่ยมันบริสุทธิ์หมดแล้วก็ฝึกอย่างที่เราบอกในเนี่ยก็รู้อรหันต์ไป ก็รู้อรหันแล้วอที่ฐานนะอธิษฐานเอาบ้านที่เป็นเครื่องอาศัยเอาร่างกายขันท่านี้เป็นเครื่องอาศัยอธิษฐานเอาบ้านเป็นวัดเป็นเครื่องอาศัยอธิษฐานเอาร่างกายขันท่าเนี่ยเป็นเครื่องอาศัยเป็นวัดเป็นเครื่องอาศัยอธิษฐานเอานามขันคือเวทนาสัญญาสั้ขานวิญญาณคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องอาศัยให้ได้รู้ได้ ได้ทํางานได้ได้ทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านต่อไปได้ดีกว่าชีวิตจะหาหม่แต่ใจเนี่ยมันเป็นพระแล้วจะเป็นผู้รู้เป็นพระพุทธเป็นพระธรรมเป็นพระสงแล้วถือว่าบวชเสร็จเรียบร้อยแล้วบริบูรแล้วบริสุทธิ์แล้วก็อธิษฐานให้ธาตุขันเนี่ยมันยังอยู่ได้โดยอธิษฐานเอาเป็นวัดนเอาท่านุคือร่างกายเอาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ทัดขันนี่เป็นวัดเป็นเครื่องอาศัยไปก่อนอย่าเพิ่งแตกดับแล้วก็จนกว่าจะสิ้นอายุไขที่จะทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนก็ถึงที่จุดแล้วเหลือแต่ทําประโยชน์ท่านประโยชน์ศาสนาก็คุณอื่นก็คุณโลกมนุษย์เทพเวดาอินฟูมยายักษ์นาคคุณมนุษย์คานสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยการสอนเขาเขาก็มาฟังทําได้เทวดาทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายโดยการแผ่เมตตาทุกวันทุกวันทุกวันทําอย่างเนี้ย เราก็ว่าอยู่ได้นะในตำราไม่มีแต่เรารู้สึกเองเอธิษฐานเอาเป็นวัดละเอาขันห้าเป็นวัดเอาบ้านเป็นวัดเราต้องคู่โชคดีที่ไม่ได้มีครอบครัวไม่แต่งงานมันก็เลยง่ายขึ้นปฏิบัติให้มันดีๆนะให้มันแนว่วแนว่ไปอย่าทิ้งสตินะสตินะ่สนะสาคัญที่สุดสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่นั่นความรู้ในไหนสติอยู่ที่นั่น สติกับความรู้หรือสติกับผู้รู้เนี่ยมันอยู่ด้วยกันถ้าทิ้งสติแล้วก็ทิ้งผู้รู้เลยเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ตื่นผู้ตอผู้ดแสดงกิริยาการซะเองจะทิ้งสติสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่นั่นหรือผู้รู้อยู่ที่นั่นผู้รู้อยู่ที่ไหนหรือความรู้อยู่ที่ไหนสติอยู่ที่นั่นสติกับความรู้หรือผู้รู้ depressed? มันอยู่ด้วยกันถ้าทิ้งสติมันก็หลงไปคิดหลงไปปรุงหลงไปแตง่งแล้วอันเนี้มันก็เดินนานออกไปไม่ไม่สามารถไปรู้บางผลนิพพานได้ถ้าทิ้งสติ สติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดทำขาดเป็นทุกข์สติหายสมาธิหายปัญญาหายทำหายเป็นทุกข์นี่สติมีสมาธิม pues, ีปัญญามีทำมีไม่ทุกข์สติเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นพันิชยานี่คือปนจับทุกข์นี่สติอันเดียวก็ไม่หลายสติอันเดียวจะทิ้งสติสติอยู่ที่ไหนความรู้หรือผู้รู้อยู่ที่นั่น ความรู้หรือผู้รู้อยู่ที่ไหนสติก็อยู่ที่นั่นสติกับความรู้หรือผู้รู้มันอยู่ด้วยกันถ้าทิ้งสติผู้รู้มันก็ไม่เป็นผู้รู้แล้วมันเป็นผู้คิดผู้แรงกิริยาการพูดหล ง, งทันทีเลย ไ, ได้ไห ม, ไมเราเห็นว่าเราตงคนพี่น้อมจะไปได้ดีเราเลยเน้นตรงนี้อย่าทิ้งสติมันจะไปได้ถ้าทิ้งสติซะแล้วก็จะเพลีย ก, กันอะไร คนใเดือนเราสอนแต่ก็ทิ้งสติสัหมดไปอยู่กับอย่างอื่นหมดทําอะไรก็ไปอยู่กับสิ่งนั้นหมดมันทิ้งสติที่รู้ไปสติตั้งทีใจดูที่ใจรู้ที่ใ จ, จละที่ใจปล่อยวางที่ใจไปมันไม่รู้แล้วว่าเป็นผู้หลงหรือเป็นผู้คิดผู้พึกผู้ตึกผู้ตองหรือเป็นผู้รู้มันไม่รู้เลยทั้งทุกขณะปัจจุบันเป็นผู้หลงหมดไปทำอะไรก็ไปอยู่กับสิ่งที่เองทําหมดมันก็หมดไปเลยจบไปสักวันไปอยู่กับสิ่งที่เองทำหมดมันไม่รู้แล้ว สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใ จ, จละที่ใจไปวางที่ใจว่าเป็นผู้รู้หรือเป็นผู้หลงแหะแต่เป็นผู้หลงไปเป็นผู้คิดผู้แสดงกิริยาการก็ต้องรู้ตึกตัวขึ้นมาละออกมาให้มาเป็นผู้รู้เรื่อยไปอย่างเงี้ยเพราะผู้รู้ไม่แสดงกิริยาการแต่รู้กิริยาการทุกขณะจิตปัจจุบันถ้าเราไม่ ส, ส <ด S 1> ติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจทํจาทอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นหมดมันก็เป็นผู้หลงทั้งวันมันกม็มีโอกาสไปรู้มรรคผลนิปปานได้ในปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นขลภาวะเป็นผู้หญิงผู้ชาย มันจะเป็นต้องห่มผ้าเหลืองก็บรรลุอลหรหันต์ได้ถ้าถือศีลห้าบริสุทธิ์แล้วข้อสามคือภพบรรจักรบริสุทธิ์แล้วก็ทิฏฐานเอาขันห้านั่นแหละเป็นวัดเอาบ้านเป็นวัดเอาร่างกายอาศัยให้เป็นวัดก่อนอาศัยพาดขันดินนับลมไฟธาตุรู้เนี่ยที่ผสมกันเนี่ยเป็นขันห้าเนี่ยเป็นวัดซะก่อนจนกว่าถึงสิ้นอายุขายขันห้าก็ดับไปเหลือแต่รู้ รู้รู้นี่เนะี่ยรู้ที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เคลื่อนไหวไม่ปรากฏกิยาการใดๆนี่เนะนี่ยไอ้รู้เนี่ยมันเป็นธาตุอมตะไม่มีวันแตกดับมันจะพุ่งผ่านแล้วก็ไม่ดับมันจะได้แต่หายตัวไฟหายไปเลยเนะป็ไปอยู่ในหายไปในความว่างเปล่าของจักราวาลกระแดะไอ้รู้นี่เนะี่ยมันไม่แตกไม่ดับนะค่ะกับเรียนพระอาจารย์ค่ะพอดีวันนี้ก็ตั้งใจมาปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ว่า คือที่ไปหาพระอาจารย์ที่หลักสี่ค่ะที่พีเคยถามพระอาจารย์ที่หลักสี่ค่ะเวลาเราพิจารณาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนั้นพระอาจารย์บอกว่าทําไมเราปฏิบัติที่มันยังไม่ไม่เห็นผลยังไม่ดีเพราะว่าเราก็อาจจะอยู่ในทางโลกแล้วก็ยังยังไม่ได้ปฏิบัติมากค่ะแต่พระอาจารย์ก็บอกว่า ให้ให้ตัดความกังวลแล้วก็ให้ตัดความอยากแล้วก็อ่ลูกก็ไปปฏิบัติก็คือพอพอรู้สึกว่าตัวเองมีความกังวลก็จะตัดทิ้งก็รู้แล้วรู้ ร, รู้เท่าทันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากก็พยายามตัดตัดตัดตั ด, ด, ดออกแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็โล่งเบาสบายหรือมันก็โปร่งขึ้นนะคะอาจารย์แล้วก็ตอนนี้ก็พยายามรู้คือเราก็พยายามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะ ก า, ายวายใจใจาไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะเลยอยากอยากรู้ว่า อ, อ, อย่างเราเนี่ยถ้าปฏิบัติหรือฝึกจริงๆเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติไปในแนวไหนหรือแนวทานยังไงอะไรยาเงี้ยค่ะอยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำค่ะไม่ถูกกัแนแรกคือไปหมายเอาที่โปง่งโล่งเบาสบายเวลามีเรื่องอะไรที่ไม่สบาย ใจของตัวเองเนี่ยกลับไปอยู่ในนั้นชอบเอาใจของตัวเองเข้าไปอยู่ในห้องว่างสอบใจของตัวเองเข้าไปอยู <Yes>. <vs> <upbringing> ่ในห้องว่างวางโลกโปร่งเบาสบายเนี่ยอันนี้ไม่ถูกนะนนี้ผิดผิดต้องทิ้งอันนี้ไปเลยอ่ะไม่วิ่งหลบก็ไปอยู่ในห้องว่างวางโลกโปร่งเบาสบายแล้วเข้าไปอยู่ในห้องว่างนั้นไม่ได้สบายจริงนะ พาเข้าไปร้องไห้อยู่ในห้องว่างนั้นแท้จริงภายในจิตใจนะมีความร้อนเลือดตับใจมีความขับคล้องใจมีความเศร้าใจเนอะร้องไห้อยู่ประจำอยู่ในห้องว่างที่เราสร้างไว้นั่นแหละไม่ได้มีความสุขจริงหรืออยู่ในนั้นเนะี่ยมันขังตัวเองไว้แล้วมีความทุกข์อยู่ในห้องว่างนะนะั่นแหละไม่ไม่ถูกทั้งสองอย่างต้องระเบิดห้องนั้นทิ้งไปไม่เข้าไปหลบ ไม่เข้าไปหลบอยู่ในห้องว่างแล้วไม่ยึดม้านถือมั่นเรามีตัวมีตนพอนเราไปยึดม้านถือม้านเรามีตัวมีตนเนี่ยเราก็จะเอาตัวเราเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องเอาตัวเราเขาเป็นอย่างนี้นเป็นอย่างนี้ถูกกระทบไปได้เราจะขับแข้นใจขัดข้องใจแล้วไปหลบอยู่ไปหลบนิ่งๆอยู่เงี้ยอันนี้ไม่ถูกไม่ถูกคือมันทุกข์ไปรู้ว่ามันทุกข ไลยห้องว่างออกไปอย่าไปอย่าไปทําใจนิงๆหลอกตัวเองมันทุกข์ไปรู้ว่าทุกเออมันทุกเออออกมาเนี่ยมันออกจากห้องว่างแล้วก็ทุกจริงๆเน่ยมันก็มีอากาศอึดอัดขับห้องใจมันทุกจริงๆไม่นายให้มันทุกกะรู้ว<ท>่<ก>นนาทุกจริงๆไม่เชื่อว่าพอทุกแล้วหลบไปอยู่ห้องว่างเนี่ยมันอันนี้มันผิดพลาดมาหันเลยหลบเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ความจริงเล ย, <หา>ยอันนี้มันเป็นความหลวงเราต้องอยู่กับความจริงด้วยใจที่ไม่ทุก ก็เปรียบเหมือนว่าเนี่ยชีวิตเราต้องอยู่กลางแจ้งกลางแดดกลางฝนเนี่ยแต่เราเนี่ยไม่ยอมรับสภาพความจริงของแดดฝนเราแต่อยู่แต่ห้องแอร์ทั้งชีวิตไม่ยอมออกไปเราก็ตายอย่างเดียวเพราะว่ามันอยู่กับความไม่จริงเราต้องอยู่กลางแดดกลางฝนทำอย่างไงที่ไม่ไม่ทุกกับมันอยู่กับสภาพของความเป็นจริงปัญหาต่างๆเราก็แก้ไปด้วยส ต, ยติปัญญาปัญหาใจาก็แก้แต่ใจต้องไม่ยึดอะไรเลย ไม่ก่อเกี่ยวไม่ัวพันอะไรเลยไม่มีไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเรามีแต่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นตัวตนของเราไม่มีเราไม่ใช่ว่าพาตัวเราไปหาแต่ความสุขจะพาตัวเราไปหาแต่ความสุขสงบมีแต่ความทุกข์นะมันมีแต่ความทุกข์ตัวเราไม่มีต้องเข้าไปถึงตัวตนของเราไม่มีตัวตนของเราไม่มียังไงแต่เราเห็นว่าเราเนี่ยเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเราก็พิจารณาร่างกายเราให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนทํำยังไงก็ให้ดูที่ละแยกมันออกพิจารณาถึงความจริงว่า สังขารร mm ่างกายเราเที uh, we, norm, ่ยงไหมล่ะมันเที่ยงไหมตัวตนเราที่มีอยู่เนี่ยมันเที่ยงไหมเราต้องพามันไปหาความสุขหลบไปหาอารมณ์ที่สบายเนี่ยมันเที่ยงจริงหรือเปล่าว่ะใครมากระทบก็กระทบตัวเราไม่พอใจอีกแล้วความพอใจไม่พอใจแล้วก็พิจารณาถึงความจริงสังขารเราเข้ไปว่ามันเที่ยงไหมมันต้องแก่ไหมมันต้องเจ็บไหมหรืมันต้องตายไหมตายแล้วต้องเน่าเปื่อยผุพังสลายไปไหมมันเหลือตัวเหลือตนจริงหรือเปล่าในโลกเนี่ยมันมีตัวมีตนเราจริงๆหรือเปล่า พี <unlucky S 2> ่นาเข้าไปเข้าไปเข้าไปอย่างนี้เนี่ยกัดติดจดจอจดจอกัดติดมันทั้งวันทั้งคืนพิ่นาเข้าไปจนเห็นว่าร่างกายตัวตนไม่มีเนี่ยเนีะเอออย่าไปอยู่กับหนีอารมณ์ทุกข์หนีความไม่สบายใจไปอยู่กับความสบายใจหนีความไม่สบายใจไปอยู่ความสบายใจนะเนี่ยทํากันเยอะมากเลยเนี่ยหลายคนในที่เนี้ก็ทํำกันจะไปเอ่ยชื่อเลยทํากันอยู่อย่างเนี้ยเราพูดอยู่อย่างนี้ก็คอยยังยังทําอยู่อย่างแอบทําอยู่ อย่าหนีความไม่สบายใจไปอยู่ความสบายใจอย่าหนีความไม่สบายใจอยู่ความสบายใจมันหลอกตัวเองมันไม่ได้พ้นทุกอันเนี้ยมันไปอยู่ความสบายใจไม่ได้จริงหรอกมันไปอยู่ในที่นิ่งเงียบทำใจนิ่งเงียบเฉยแต่นีมันทุกข์อยู่ในทุกข์กับสิ่งนั้นทุกข์อยู่ในนั้นเหมือนเกือบทะเลาะกันแล้วปิดประตูเข้าห้องพระเงียบขังตัวเองไว้แล้วตัวเองก็ไปนั่งทุกข์อยู่ในห้องพระเป็นแก๊งค์อย่างเนี้ยมันทําจิตให้มันนิ่งเงียบเฉย ว่างๆเบาๆสบายอยู่ข้างในเหมือนกับเป็นห้องพระสร้างห้องพระไว้แต่ความจริงไปทุกข์อยู่ในห้องพระนั่นแหละหลายปีมานี้ก็ทําอย่างนี้แล้วก็บอกว่าอย่าทําอย่าทําอย่างเนี้ยมันไม่พ้นทุกข์เสร<ถ>็จแล้วก็ไปกระทบแล้วระเบิดอารมณ์กับคนนั้นคนนี้อยู่เรื่อยไปเพราะอะไรวะมันอยู่กับความไม่จริงพอใครมากระทบหน่อยก็ระเบิดอารมณ์กลายเป็นระเบิดอารมณ์มากขึ้นไปมากขึ้นไปเลยเกิดเป็นปัญหาอยู่ที่ตัวเราเนี่ยปัญหาไม่อยู่ที่คนอื่นกระทบน้อยกระทบหนักกระทบมากกระทบอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวระเบิดอารมณ์อย่างเงี้ยนะ อย่าไปทําอย่างนั้นทําลาย ห, ห้องที่สร้างไว้ในใจอย่าหนีทุกหนีความไม่สบายใจไปอยู่กับใจที่สบายใจที่เบาสบายอันเนี้ผิดพลาดมหาศาลร้ายกาจเลยเป็นโทษที่ร้ายแรงที่สุดคนก็คอยว่าเราเลยว่าความเบาสบายไม่ดีไงอาจารย์บางทีไม่อารมณ์ใสเราเลยอาจารย์พูดมาเร่ว่างไม่ความว่างไม่ดียังไงอาจารย์ให้ทิ้งอยู่เรื่อยไม่อารมณ์ใสยังไม่เห็นเลยนะ ความว่างไม่ดีไงความเบาสบายไม่ดีไงอาจารย์นาอาจารย์เราบอกห่ดสิมันมีโทษเยอะมีโทษมากจริงๆเลยอย่าง น, น้อยๆมันก็ทําให้รู้ได้ว่าเราไม่หมทุกข์จริงๆแล้วเราก็มีทุกข์แอบแฝงในใจเยอะมากค่ะถ้าอาจารย์อย่างนี้เราก็เหมือนกับวา่าถ้าทุกข์เราก็รู้เลยว่าทุกข์ทุกข์เราพิจารณาให้ให้เห็นว่ามันทุกข์ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไเห็นว่าทําไมเราจึงทุกข์ล่ะสาวก็ไปหาเหตุมานว่าเราทุกข์อยู่กับอะไรทําไมจึงไปทุกข์กับสิ่งนั้นไอ้ทุกข์ก็เพราะว่าใจเราก็าไปยึดเรายึดอะไรละ่ะเออเรายึดอะไรนั่นแนะมันจึงทําให้เราเป็นทุกข์ถ้าเราไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์ทำยังไงเราจะปล่อยวางจากความยึดนั้นได้ละ่ะเราก็พิจณาเข้าไปสาวไปหาเหตุเขา้าเออทุกข์มันจะไปทนทุกข์อยู่อึดอึ ด, อ, ด, อ, ดอาจารย์บอกว่าไม่ให้หลงแต่ไปทนทุกข์อึดอึเป็น ม, มีปัญญา ไม่ใช่อย่างนั้นคือทุกข์ไม่ได้หนีไปหาใจสบายหนีไปหาใจสบายมันไม่หาเหตุไม่สาวหาเหตุว่าอะไรเราทำให้เราเป็นทุกข์อยู่แล้วเราไม่พ้นทุกข์อยู่นทุกวันนี้หลายปีมาเขาก็สอนเรามาหลายปีแต่ทาไมเราังเป็นทุกข์มากมายอยู่ทุกวันนี้ยังไม่เห็นพ้นทุกข์เลยไม่ใช่ว่าทุกข์แล้วก็หลบไปอยู่กับใจที่สบายอันนี้มันไม่ได้แก้ปัญหาทุกข์ใจอ้าวทุกข์ แล้วก็บอกว่าอาจารย์บอกไม่ให้หนีทุกข์ก็เลยทนอยู่กับทุกข์อึดอึดอึดอดอดก ด, ดเก็บกดไว้ดําปีเลยก็ไม่ใช่อีกคือทุกข์แล้วเนี่ยต้องสาวไปหาเหตุว่ามันทุกข์ก็เพราะยึดนี่แน่เราไปยึดอะไรเราที่ทําให้เราเป็นทุกข์เราก็สาวไปหาเหตุอ๋อเรายึดน่นยึดนี่เราจึงเป็นทุกข์ดำปีแบบเนี้ยกายก็ดําหน้าดําไปหมดเลยใจก็ดําคับไปหมดลังสีออกมาก็ดำคับไปหมดอันนี้เวลามันตายแล้วไปอาบายแน่นอนดําดำคับแบบนี้ แล้วเราก็สาวไปหาเหตุแล้วเจอต่อแล้วว่าเออเราไปยึดอะไรละ่ะยิ่งทุกข์แบบเนี้ยเราก็ต้องสาวว่าเหตุแล้วด้วยปัญญาของเราจะทํำยังไงละ่ะเราจะตัดใจออกจากสิ่งที่เรายึดได้พอเราตัดใจออกจากสิ่งที่เรายึดได้เราก็จะไม่ทุกข์ด้วยสติปัญญาเนี่ยก็ต้องพิจารณาเข้าขคาารูบาอาจารย์กัสอนพุทธเจ้ากับสอนครู บ, อบาอาจารย์ก็เอาคําสอนเจ้ามาช่วยสอนมาช่วยบอก เราก็ต้องหาสติปัญญาของเราทํำยังไงจะตัดจากสิ่งที่เรายึดเนี่ยแต่เราตัดออกจากใ จ, จเราได้มันก็ไม่ทุกข์คือเราตัดได้หรือไม่ได้เนี่ย <ascal> เขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นแน่สิ่งนั้นก็เป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยเราตัดไม่ได้เขาก็เป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นก็คงเป็นอยู่อย่างนั้นแนะลูกก็คงเป็นลูกผัวก็คงเป็นผัวเมียก็คงเป็นเมียอยู่นน่นนี่ยตําแหน่งหน้าที่การงานนีเจ้านายก็คงเป็นอยู่อย่างนั้นแนะ เราตัดได้ใจเราพ้นทุกจากเขาแล้วเขาก็ยังเป็นอยู่แบบนี้แล้วเขาตายไปจากไหนเรามีปัญหาต่อเขาเขาก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นแน่เขาไม่ได้เปลี่ยนไปแต่เราที่เปลี่ยนไปเราตัดไม่ได้เราทุกเองแต่พอเราตัดได้ตัดใจจากเขาได้จากความไปยึดไปพอใจไม่พอใจเขาได้ไปเกาะเกี่ยวพัวพันธกับเขาได้ตัดใจที่ไปเกาะเกี่ยวพัวพันธทั้งรักทั้งชังเขาได้ใจเราก็ทิ้นทุกเองแต่ตัดแล้วเขาก็คงไปอยู่อย่างนั้นะพ่อแม่ก็คงเป็นพ่อแม่คาอยู่ตรงนั้นแน่ สามีภรรยาคงเป็นสามีภรรยาอยู่อย่างนั้นแต่ลูกก็นคงเป็นลูกอยู่นะเ้าไม่ได้ตายจากไปตัวเราก็ไม่ได้ตายจากไปแต่มันสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเมื่อตัดใจที่เกาะเกี่ยวพัวพันได้คือมันสิ้นทุกข์กับเขาไปซะนั้นแนี่ความทุกข์มันหมดไปแค่นี้เองแต่ถ้าเราตัดไม่ได้เขาก็คงไปอยู่อย่อยางนั้นแน่แต่เราที่แย่คือใจเราเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละความทุกข์มันก็เกิดจากใจที่ไปไปเกาะเกี่ยวพัวพันไปยึดเนี่ยทั้งรักทั้งชัง ถ้าตัดใจที่ไปเกาะเกี่ยวพวพันทั้งรักทั้งชังได้มันก็ไม่มีอะไรเลยโกรธแค้นแค้นเคืองค้างคาผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทใครก็ไม่อภัยไปหมดไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วปรารถนาความสิ้นทุกข์ในปัจจุบันไปโกรธแค้นแค้นเคืองผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทน้อยเนือตัดใจใครก็ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเราปรารถนาความพ้นทุกในปัจจุบันก็เลิกเลิเลิกเลจบพันธสัก็ถือว่าอธิปธรมต่อกันเนี่ยมันชดใจกรรมกันมันเคยอธิปธามกันแบบนี้ คิดไอ้แบบเป็นแล้วก็เออเลิกเิก <_ d ata> เลิก <_ d ata> ไปไแล้วแหละไอ้ความรักก็ต้องคิดพิจารณาให้เป็นว่าทําไมมึงติดรักมากหลงเข้ามากอย่างเงี้ยก็ต้องพิจารณาให้เป็นวาเอ้ยก่อนมารักกันก่อนมาเจอการชาติก่อนก่อนนู้นเป็นอะไรต่อกันมาก็ไม่รู้เดี๋ยวมาตายจากกันไปแล้วต่างคนต่างก็ไปไม่รู้ไปเป็นอะไรต่อกันต่างคนก็กระเด็นไปแล้วเราเนี่ยในชาติก่อนก่อนมาเราตายเกิดเกิดตายกระดูกเรากองเท่าภูเขาเรากาแล้วแต่ละชาติเนี่ย เราก็ผสมพันธุ์กับสัตว์นไม่รู้กี่ตัวตอนเกิดเป็นสัตว์เนกรจฉันมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติตอนเป็นสัตว์ในกระฉันก็ผสมพันธุ์กับกับสัตว์ด้วยกันนะไม่รู้กี่ตัวแต่กี่ตัวแล้วเกิดมาในชาติเนี้ไอ้ตัวไหนที่มันผสมพันธุ์กับตัวเราตัวไหนที่มันมาเกิดเป็นสามีภรรยาเราเราทําไมรุ่มหลงแต่ตัวเดียวเดี๋ยวเกิดถ้าเรายังไม่รู้วิพีผ่านตายไปแล้วก็ต้องไปผสมพันธุ์กับตัวอื่นอีกมากมายเขาก็ต้องไปผสมพันธุ์กับตัวอื่นอีกมากมายแล้วทำไมจึงลุ่มหลงแต่ตัวเดียวในปััจจจุบบนน มันไม่ขาดเลยตัดไม่ขาดทํายังไงไม่ขาดพูดยังไงก็ไม่ฟังเนี่ยมันต้องมีปัญญาที่จะคิพิจารณาให้ได้ด้วยว่ามันทำไมจึงลุ่มหลงอ้าวพอลุ่มหลงลูกก็ก่อนเราเป็นลูกเราเป็นอะไรต่อการมาลูกไหแล้วตายเสร็จแล้วมันไปเป็นอะไรต่อกันใช่ไหมมันมาใช้นี่กรรมกันหรือว่าเราใช้นี่เขาหรือเขาเกิดมาใช้นี่เรามันเป็นเจ้าหนี้ลูกนี่กันมาแล้วจึงต้องมาใช้นี่ต่อกันใช้นี่กรรมต่อกัน แต่ทำไมเี่ยเจ้านี gs, ้มันเป็นเข้าเป็นเจ้าหนี่เราเราเป็นเจ้านี่เขาก็ไม่รู้มาใช้นี่กรรมถ้าครับว่ามาใช้นี่เราเราก็สบายแต่เราเกิดมาเราต้องใช้นี่เขาเนี่ยเราแย่เพราะเราต้องใช้หนี่เขามันก็มาล้างผาเราหมดเองมันก็มาเอาหนี้คืนเราต้องคิดให้เป็นน่ยว่าก่อนมาเกิดเป็นลูกเป็นอะไรมาหลายภพหลายชาติเราก็เวียนวนมาจนดึกแล้จนโอ้โหอนันตการได้ลูกมันก่อนที่มาเกิดเป็นลูกเราเป็นเป็นใครมาจากไหนเป็นใครเราเป็นใคร ก็มีอะไรที up, ached, um ่ว่างูเหลือมันลกเป็นงูเหลือมหลักออกมาลายฟอยส์หมดเวลาจะไปไหนก็เชเรื่อยไปไม่ขาดไม่เดินไปแล้วเวลาจะลงบันไดก็เลื้อยลงบันไดอเพราะอะไรก็ไปฆ่างูเหลือมมาไอ้สามีก็ชวนสามีไปกินงูเหลือมด้วยไปกินเรื่องเรื่องงูเหลือมพอไปกินแล้วเออนึกถึงภรรยาที่บ้านเอาเอาเนื้องูเหลือมกลับมาทำอาหารที่บ้านดีกว่าให้ภรรยากินด้วยภรรยาก็ได้กินเนื้องูเหลือมด้วยพอภรรากินเนื้องูเหลือมปุ๊บไอ้ไอ้วิญญาณของไอ กู ห, หลือมเนี่ยมันเข้าท้องภรรยาเลยคลอดลูกออกมาเลยเป็นงูหลวมดังนั้นอนะ่ะก็ออกมาหลายพลอยเป็นเป็นงูเลยไปเกล็เก็ดเก็ดก็ดแล้วเวลาจะลงวันไดมันก็เลือ้อยลงแล้วมันก็รักกันลุ่มหลงกันพอเกิดเป็นลูกแล้วมันก็หลงมันจะเป็นบ้าเป็นหลังจะเป็นจะตายเนี่ยเออมันมันคิดไม่ได้บรรลึกชาติไม่ได้บรรลึกชาติไม่ได้อย่าง น, น้อยก็พอจะคิดได้เปรียบเทียบได้แต่ตัวอย่างของคนทั้งคนนี้ก็มีเยอะแยะมากมาย เนี่ยแต่เราไม่ยอมคิดตามคือเราคิดแต่แง่เดียวแง่ที่เรายึดใครพูดยังไงอ่ะไม่ยอมคิดตามเขามันคิดแง่เดียวแง่ที่เรายึดพุทธเจ้าพระทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหมดปัญญาเจ้าระทังสอนสอนแล้วถ้ากรตายไปคือมันคิดอยู่แง่เดียวคือแง่ที่เรายึดใครจะพูดยังไงฉันจะคิดอยู่แง่เดียวแง่ที่เรายึดนี่แน่เราต้องมีปัญญาเราทุกเองเราก็ต้องมีปัญญาที่จะออกจากทุกเองทุกเพราะยึดอย่างเดียวแน่ ถ้าไมยึดอะไรไม่มีทุกข์กับอะไรเลยในโลกนี้คนทุกข์ไปเลยเพระอหรหันเนี่ยท่านสิ้นอยู่อย่างเดียวคือสิ้นยึดจึงไปรู้อหรหันต์ไปทุกอย่างในโลกนี้มันมีหมดร่างกายท่านก็มีอาการของใจท่านก็มีอารมณ์ของท่านก็มีแต่ท่านไม่ยึดกับอะไรเลยท่านจึงพ้นทุกข์ไปแค่นี้นะพี่นายเป็นนะอย่าไปหลบกับพารมทุกข์ใจไม่สบายไปหาอยู่กับใจสบาย พอเมื่อไหร่เป็นทุกข์ใจไม่สบายหลบไปอยู่กับใจสบายอันนี้มันปฏิบัติผิดมหันเลยนะอ ย, อย่าทําอย่างนี้อย่าทาอย่างนี้หลายคนในที่นี้ก็ทํากันอยู่อย่างเนี้ยต้องการสอนก็ทํากันอยู่แต่ว่าต้องพิจารณา<อ>ดูกายสังขารว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่มันแตกต่างมันสลายไปมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนพิจารณาไปเรื่อยๆใช่ไหมคะพระอาจารย์ะเออมันจะได้เห็นว่าตัวเราตัวตนของเราเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงหรอ พี่น้าเพื่อเห็นว่าตัวตนของเราไม่มีอยู่จริงคนที่เราไปยึดมันก็ไม่มีอยู่จริงตัวมันก็ต้องแตกลับตายทำลายจากกันเป็นหมดสิ้นไม่มีอะไรเหลือหรอกมีแต่ใจเนี่ยที่ไปแอบยึดเขาความจริงไม่มีอะไรเหลือเลยแม้แต่ใจก็ดับไปใจเนี่ยก็มายถึง ค, ความคิดปฝังแฝงเนนะี่ยที่ไปยึดกันไว้เนี่ยแล่ความคิดฝุงแฝงที่คิดไว้มันต้องดับไปต้องมีปัญญาที่จะเข้าใจ พิจารณาเนี end, ่ยเพื่อเองพิจารณาให้มันสิ้นยึดอืเมื่อเรายึดจากข้างนอกเราก็ต้องพิจารณาจากข้างนอกเข้ามาเพราะว่าเรายึดข้างนอกอยู่เราก็ต้องพิจารณาจากข้างนอกเรางเข้ามาถึงตัวเราเราพอเราพิจารณาตัวเราไปเห็นว่าตัวเราไม่มีตัวตนมันก็เลยสิ้นยึดส่วนคนที่มีปัญญาคนที่มีปัญญาวัสนาบารมีสั่งสมมาเขาก็เข้ามาถึงตัวไม่มีตัวผู้ตัวตนผู้ไปยึดคือเขาออกมาจากข้างในไอ้เรานี่ยต้องพิจารณาจากข้างนอกคือพิจารณาไตัวตนของเราที่เรา ยึดว่าเป็นตัวเป็นตนน่ะทำลายความเป็นตัวตนของเราจึงไม่ไปเอาตัวตนเราไปยึดอะไรแต่ผู้มีปนะัญญาเนี่ยเขาเข้าถึงธานรู้ธรรมชาติของธานรู้ซึ่งไม่มีตัวตนที่ไปยึดอะไรเหลือแต่รู้ที่ไม่มีกิริยาการกระเพื่อมไม่มีการกิริยาการไหวตัวใดๆได้แต่รู้กริก ร, กริยาการที่กระเพื่อมที่ไหวตัวเมื่อเขาอยู่กับรู้ที่ไม่ไหวตัวไม่กระเพื่อมติดต่อไปเขาก็บรรลุอรหันต์ไปคือสิ้นผู้ยึดสิ้นตัวตนไปนยึดอะไรเมื่อ มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็ไม่ไม่ไปรองรับไม่ไปสเสวยไม่ไปยึดอะไรผู้ที่สิ้นยึดแล้วเขาเรียกว่าสิ้นทุกสิ้นกิเลสบรรลุพรนิพพานเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกอย่างนี้พอสิ้นยึดแล้วมันก็สิ้นกิเลสสิ้นทุกขบรรลุพรนิพพานเรียกผู้นั้นว่าพระอรหันต์ไม่ว่าจะเป็นฆราวาสเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเป็นคนนุ่งเหลืองห่มขาวอะไรก็เป็นเรียกว่าเป็นพระอาจารพอสิ้นยึดแล้ว มันอยู่ที่ว่าปัญญาของเจ้าตัวมันเป็นปัญญาระดับไหนอปัญญาที่มันเข้าไปถึงผู้ที่ผู้รู้ที่ไม่มีกิริยาการไม่มีไม่มีตัวตนที่จะไปยึดอะไรได้ไมันเข้าถึงธาตุรู้ที่เป็นนิพพานธาตุไปเลยและตัวมันไม่เคลื่อนไหวแต่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวปรากฏอาการแต่ตัวมันน่ะไดแ้แต่รู้ไม่เคลื่อนไหวไม่มปรากฏอะไรเลยมันจึงไม่ไปรองรับอะไรให้เป็นทุกข์แต่ถ้าเราเนี่ยยังไม่เข้าใจเราไปยึดอะไรเราก็ไ ป, ไปทําลายสิ่งที่เรายึดเนี่ยคือเราทำเราคิดว่าเราเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเป็นตนเราก็ต้องทำลาย ความหลงว่าเป็นตัวตวน้อยหมดสิ้นไปจากใจมันจะไม่มีรู้สึกว่ า, าตัวเราเนี่ยไปยึดอะไรมันต้องพิจารณาร่างกายเราถอดออกไม่เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนนะอย่างเนี้ยมันก็ออกได้เหมือนกันแล้วแต่ทางใครทำกัน